بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله ع ل ي ه و ص ل م والكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ا ص ح ا ب ه ا ل و ر الميمين ومن تبعهم بإحسان إلى م د ي ن وسلم ت س ل ي م ا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح ا ل د ي ن ا نعم เออมาแปลกนะสบายดีก็ต้องก็ต้องทักทายกันบ้างนะครับถามเึืนงสุขภาพสุขภาพดละอีมนันก่อนสบายกันดีก็จะเข้าใจกันเสมอนะสบายดีกันก็คือแข็งแรงใช่ไหมไม่มีโรคไข้เจ็บป่วยใช่ไหมเออทำามไม่เข้าใจกันอื่นล่ะสบายดีไหมอีมนันแข็งแรงไหม ไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีการถามถึงเรื่องนี้แต่การที่อั ح ح ลลอฮุ سبحانه และ ت ع ا ให้พวกเราได้มีโอกาสมาศึกษาเรียนรู้พระดำรัสของพระองค์ศึกษาเรียนรู้ญญญอัลกุรอานนี้ก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งบ่งถึงความแข็งแกร่งหรือความ คงตัวของอิมันเพราะการที่เคียเวลาให้มีโอกาสมาเรียนรู้มาเข้าใจคำสั่งสอนที่มาจากากระสุาณะวุฒาล่ะนั่นเป็นการยืนยันในปรารถนาในเป้าหมายในมุมมองของคนอื่น <c oughs> คนที่เรียนกุตอา น, นี่อาจจะถูกมองว่าเ อ, อ เป็นอะไรกันนึกเปล่าพวกนี้เอาคำพีเอาคำพีตำราที่โบราณมากมีอายุประมาณพันห้ารปีอย่างเงี้ยมานั่งเรียนรู้กันมาศึกษากันเป็นอะไรบาเป็นอะไรกันเปล่า ต้องเสียเวลามาเอาคำภีโบราณโบราณเป็นพันปีอย่างเงี้ยมานั่งเรียนว่าอ่านมาอะไรกันนักหนาอะไรอย่าราณนี้มีอะไรมีอะไรดีอ่ะคนอื่นอาจจะมองแบบนี้คนในโลกนี้ก็ไม่ไม่มีนะไม่มีการให้ความสำคัญกับคำภี โดยทั่วไปเหมือนที่มีในประชาอิสลามในบททั่วไปเนี่ยไม่มีนะมาสอนอธิบายไบเบิลอะไรเงี้ยไม่มีถ้าจะเรียนไบเบิลเนี่ยก็จะมีก็จะมีโรงเรียนเฉพาะมีมหาวิทยาลัยมีสถาบันเฉพาะการนี้จะมานั่งเรียนรู้คุรานเรียนรู้ฮะดีสกันแบบนี้ตามบัซซีตามเนีเขานี่ไม่มี ตามวัดนี้เคยเห็นไหมอธิบายไตรปิฎกเนี่ยเคยได้ยินไหมไม่มีนี่แม้กระทั่งในวงของของพระสงฆ์เองอะนะก็ก็ยังมีคนที่ยังไม่มีความสามารถที่จะเข้าถึงไตรปิฎกในภาษาดั้งเดิมก็มายถึงว่าการอธิบายคัมภีร์ต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งไบเบิลอะนะ ก็ไม่ได้เข้าถึงจากเข้าถึงอธิบายจากภาษาภาษาเดิมดั้งเดิมของมันก็ต้องผ่านผ่านการอธิบายหมายถึงว่าถ้าอธิบายอธิบายใบเบิลภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษแต่ภาษาเดิมนี่ของใบเบิลนี่ก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเชิญกานที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้โอกาส ในการเรียนรู้คุรอ่านก็ถือว่าเป็นน้มาที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องพยายามรักษาไว้พยายามใส่ใจให้ความสำคัญแล้วก็รู้สึกในคุณค่าของมันไม่ใช่การหาความรู้านศาสนายอย่างเดียวแต่มันเป็นเหมือนเป็นการให้เตดาจประคับประหลาด س ว ح ตา ه และก็อัลลอฮ์นี่ เราเราขอยืนยันว่าคําพี่ของพระองค์คําสั่งสอนของพระองค์อยู่ในดวงใจของเราอยู่ในการใส่ใจของเราอยู่ในอยู่ในความปรารถนาของเราไปอัลกุรอานนี่เทียบแล้วกับตาราอื่นคําพูดคนอื่นเนี่ยจะต้องอยู่ในท็อปอยู่ในจุดที่สูงสุด ของความสนใจของความทรงจำของไม่สนใจที่จะท่องจำอะไรมากกุ่าพุทธานอาจจะต้องจำอย่างอื่นได้นะบางคนก็ท่องเพลงนะแต่ถ้าเราสนใจที่จะท่องจำอย่างอื่นมากกว่ากุรานท่องจำกรอนท่องจำ เ, เพลงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ากุรธานนั้นนมีปัญหามีปัญหานี่นอน อัลกุรอานต้องอยูใ่ในจุดสูงสุดของการใส่ใจความต้องการของเราความสําคัญของอัลกุรอานในในความสํานึกของเราเนี่ยเคยปรารถกับพี่น้องหลายครั้งแล้วว่าว่ากุรอานนั้นอ่ะจะมีอิทธิพลในการที่จะปรับทัศนคติปรับความเข้าใจไม่ให้เราขวยเข้าใจขวย เพีย้ยนผิดเพี้ยนในการเข้าใจประเด็นเข้าใจคดีเข้าใจเรื่องปัญหาต่างๆในสังคมไม่ให้ตามกระแสให้ปักหลักอยู่กับอุดมการอยู่กับมุมมองอยู่กับอยู่กับมุมที่คุรอ่านให้เราได้มองว่าบางทีกระแสในสังคมเนี่ยที่จะทําให้ ที่จะทำให้เราได้เปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างแม้กระทั่องอุดมการแม้กระทั่งความเชื่อส่วนตัวความเชื่อที่เราเชื่อเร า, เราต้องเป็นอย่างนี้เราเป็นแบบนี้กระแสะในสังคมนี่อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเราเปลี่ยนอุดมการของเราได้รวมถึงมุมมองของเราต่อสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ คอมนสังคมนิยมทุนนิยมวัตถุนิย ม, ยมเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความคิดที่สวน ก, นกระแสกับคุตอตถ์ทำให้คนเนี่ยมองต่อมนุษย์มองต่อสรรพสิ่งดงมองต่อเศรษฐกิจ ก, การเมืองการปกครองอีกอีกอย่างหนึ่งเลยอีกมุมหนึ่งเลย <c oughs> และพอมองอีกมุมนึ้เลยนะเปี่ยนทุกอย่างคนที่มีความข้าง ในวัตถุนิยมหรือในทุนนิยมเนี่ยเรื่องอะไรมาเรื่องอะไรจะมห้ามดอกเบีย้ย <c oughs> มันมีผลมันมีผลต่อการปฏิเสธหลักการของศาสนาหลักการที่เราไม่อินเราไม่ไ ม, ไม่ไม่อาศัยหลักการของศาสนาหรือในการศึกษาเรียนรู้อัลกรุรอา น, นให้เป็นให้เป็นหลักการของเราอะะมันจะมีผลในการเปลี่ยน ทัศนคติต่างๆคุรานจะพยายามรักษารักษาอุดมการของเราในสุรอัอันราม <c oughs> เคยผ่านมาแล้วเรื่องการเชี้สัตว์การบริโภคสัตว์ข้ออนุญาตข้ออนุโลมข้อห้ามต่างๆ แล้วบอกว่าคำสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะปรับทัศนคติของความบริโภคนิยมมนุษย์นี่เป็นนักบริโภคส่วนหนึ่งที่ก็บริโภคนึ่งอาหารส่วนหนึ่งนั่นก็คือสัตว์เนื้อสัตว์และการบริโภคนึ่งสัตว์นี่มันจะไม่เป็นไปได้นอกจากว่าจะต้องค่าสัตว์นี่การค่าสัตว์ มันเป็นการยึติชีวิตชีวิตหนึง่งศาสนาก็มองว่ามันจะต้องมีเหตุมีผลในการยุติชีวิตชีวิตหนึง่งเหตุผลนี้เนี่ยไม่ควรที่จะมาจากใครนอกจากผู้สร้างชีวิตสําหรับเรานะเพราะเราก็มีชีวิตสัตว์ก็มีชีวิตใช้สิทธ์อะไรส่วนตัวที่จะมาฆ่าชีวิตฆ่าชีวิตอื่น โดยไม่มีเหตุผลที่มันเหนือกว่าเหตุผลชีวิตที่มีความเท่าเทียมกับชีวิตนั้นๆคือเราชีวิตใช่ไหมอาราชีวิตแพ้กับชีวิตชีวิตหายใจชีวิตอะไรของเราที่จะเหนือกว่าชีวิตของแพ้เนี่ยนอกจากว่าจะต้องมีอะไรที่เหนือกว่าเราแล้วก็เหนือกว่าแพ้ีนที่จะมาชี้นะอ่าถ้าสมมุติว่าแพ้นี่ ม, นะ ม, ม, นมันมันพัฒนาตัวเอง มันกลายเป็นแพะฉลาดอัเชรีมีสมองแล้วมารวมตัวกันบอกว่าพวกเรานี่มาเชื้อมนุษย์กันมาพวกเรามามาเชื้อมนุษย์กันไหมเออมาชนมนุษย์กันมันมหัดชนกันเอามนุษย์เนี่มาเป็นบ้ามาชนมนุษย์แล้วก็ชนเสร็จแล้วตายแล้วกินมนุษย์มันก็เป็นชีวิตล้วก็เป็นชีวิตเราจะไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะ ค่าชีวิตมันและคือ ก, กินมันต้องอาศัยพระบารมีของอัลลอฮฺะาผู้ทรงสร้างผู้ทรงเป็นเจ้าของเจ้าของเราและก็เจ้าของมันเลาเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างาขาความเข้าใจเนี่ยมันถูกบิดเบือนจากบรรดามุชริกีนผู้ตั้งปากี ที่ไม่ได้เอาคำ ส, สอนจากอัลลอฮ์นี่มามาดำเนินชีวิตเนก็เรื่องบุริภูกนี้ก็กลายเป็นเรื่องตามอำเภอใจคิดจะข่าอะไรจะกินอะไรนี่ก็ทำได้เลยมมหน้าซ้ำความเชื่อของเขาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลในเรื่องบุริภูกเจแ็แพ้แล้วก็ แต่กอนนู้นเขาก็ชื่อในอัลลอฮ์ Allah ไงเชื่อแพ้นนกันกบิสมิลลไงแต่พอมาตั้งภากีแล้วอะนะเอาเชื่อให้อัลล์ อ, อนีอ้และอเาหแล้วยอมยอมรับเลยนะคือยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างใช่ <c oughs> ยอมรัา์เป็นผู้สร้างแล้วยอมรับเจต เ, เ, เนี่ยไม่ได้เป็นผู้สร้างแต่มีบ ร, รมี นี Connie, ่เส no, ียดเลยอัลลอฮ์ไม่เสียเลยอนี้บ้างล่ะทำไมอ่ะเพราะองนี้เนี่ยไม่เหมือนอฮ์นจนเนี่ยยอมทำเรื่องงานของอัลลอฮ์เนี่ยเบสมั่วิกินตะการนู่นนะเรชื่อใอัลลอฮ์ล้นี่จนนี่าทำอน่ถวายหน่อยถวายให้อัลลอฮ์ล้ถวายแค่นี้ไม่พอนะ ที่ว้ให้อัลล์เนี่ยให้เจวิตได้ถวายให้เจวิตได้หมายถึงว่าชืแล้ววายอัลล์แล้วเอาบางส่วนน่มาถวายให้เจว็ตได้แต่เพราะเจตนาตั้งใจบนถวายให้เจวิตนะอย่าไปให้อัลลอฮ์นะคดวาให้เจวิตัห้ามถวายอัลล์ดว่าอัลล์นี่จะให้เจวหน่อยนะจน นี่คืออะไรนี่คือความผิดเพี้ยนความไม่ปกติในการมองถึงสรรพสิ่งต่างๆโดยไม่ใช้เหตุผลที่ที่ที่กินกับปัญญากเาักเพราะไม่ได้เอาคำสั่งสอนจากพร ะ, ะสุภาไม่ได้เอาไม่ได้เอาเมนูจัด ก, การสรรพสิ่งในโลกนี้เนี่ยจากผู้สร้างสร้างขึ้นมา อย่างในคุตตะหลายหลายอายะที่อัลลอฮฺจะกล่าวถึงพฤติกรรมของมุชลินในการทำํำศีลกะนะันถวายสัพพสิทธต่างๆให้ให้จเจวิตเนี่ยแล้มันมีสิทธิ์อะไรมันสร้างอะไรมาผู้สร้างปรากฏว่าผู้สร้างนี่ไม่ไม่สักการะต่อพระองค์แล้วผู้ที่ไม่ได้สร้างขับพระสักการะให้มันได้ไยงง่ายคําถามที่อัลล AH อฮฺ سبحانه และ ต้องการคำตอบจากคนที่ตั้งปากีกับพระมศพนวตาร์และนี่คือผลของการที่ไม่เอาคุตตานไม่ไม่ยึดในคำสั่งสอนของพระเจ้าโอ้ยเรื่องนี้นี่โบราณโบราณเนีเ่ยถวุงถาวายอะไรนู่นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีมันเปลี่ยนรูปแบบคือที่จริงเนี่ยถ้าคนอาหรับนะอาหรับนี่ไม่เคยมีเจวตไม่เคยมีอะไรใช่ปะพอเขาฟัง อะแบบนี้เขาก็แหลกใจเขาจะแปลกใจว่า ม, มีจะมีเหรอที่คงบบราณนสมัยนบีโบราณมากสมัยนบีพวกจะเวนี่นซึ่งตดีวนี้ไม่มีไม่มีแทบไม่มีนะแ ต, แต่บ้านเรานี่ก็เห็นเห็นกันนะ ก, ก็ฟังเรื่องแบบนี้นะก็เหมันใช่เลยอ่ะใช่เลย แต่ที่เราอาจจะมองไม่เห็นก็คือพฤติกรรมยิ่งการตั้งภากีนี้ในรูปแบบใหม่โมเดิร์นตะกอนนุมอ่าเชือแพะให้อัลลอ์บิสมิลลาห์เอาแล้เาเจวีดล่ะเอาทาวายหน่อยให้เจเว็ดมันกลายเป็นมโนมีเจเว็ดมีท่นนะมีแพะ มีมีดมีเชือดมีถวายเอาเลือดมาสาดแท่นนะครับนี่คือมนแต่การที่เราใช้ชีวิตปัจจุบันเชีวิตปัจจุบันหนูมีตึกมีมีระบบเศรษฐกิจมีงบประมาณมีมีภาษีอากรมีรัฐบาลมีมีรถไฟฟ้ามีอะไรเนี่ยอยู่ไหนอะของแบบเนี้ยไอ้มนที่มีแต่แท่นมีแต่แพมีแต่เลือดมีแต่ถวาย และปัจจุบันนี้แหละมันก็มีแต่เปลี่ยนรูปแบบชีวิตของเราเนี่ยที่เราทำอะไรเพื่อ Allah Subhanahu w a t a แต่บางส่วนเนี่ยเราถวายให้ผู้อืน่นมีไหมค้นหาดูสิอะไรอะไรในชีวิตของเราสดังไม่ต้องสดังที่เป็นเป็น เป็นเป็นธนาบาัตรเป็นอะไรนะไม่คือตัวเลขอยู่ในธนาคารของใครอูลล้เหรอใช่ไหมการงานของเราตำแหน่งของเราเงินเดือนของเราผลประโยชน์ต่างๆเร า, เ, ออลลเราทำบุญเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมเราทำบุญเพื่ออัลลอ์ บริจาคนู้นบริจาคนี้แล้วมีบางส่วนไหมที่เราเอาจากนั้นนะไปถวายให้ผู้อื่นมีไหมมีไห ม, มเราบอกว่าไม่มีใช่ปะที่ถวาย Allah ก็ถวาย Allah แต่มีไหมที่เราทำชิริกแล้วก็เอาของ Allah เนไปถวายคนอื่นนะซึ่งมันมันเยี่ยงมันคล้ายๆมโนโบราณที่เกิดขึ้นในอดีตมีสิ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาแต่บางส่วนนั้นนะ่ะที่เราถวายไปให้อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาแล้วนั้นนะ่ะเราจะเอาบางส่วนนั้นนะ่ะไปทําเพื่ออะไรอะไรในสังคมที่ถูกวางบนแท่นหรือถูกวางบนหิ้งในการเคารพสักการะอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องเช่นน่ะต้องต้องตัดมีไหมที่ไปบริจาคเลือดทำเพื่อเพื่อใครบริจาคเลือด ก, กว่าถนนทำนูน่นทำนัน่นทำเพื่อใครบริเวณจะบอกว่า แต่ในความในความคือในต่างศาสนาเนี่ยเขาต้มีความยรดหยุ่นเขาแต่ไอที่แปลกเนี่ยมุสลิมทํำไหมการที่เราจะให้เกียรติใครก็ตามจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอันนี้เรา ม, มีรูปแบบการขอบคุณการกระตันยูมีอิสลามนี่มีให้รูปแบบที่จะให้เกียรติเขา ไม่จำเป็นต้อง ย, ยมวิธีการขอบคุณการกระตนันยูเขานี่มาใช้การแสดงความรักแสดงความเคารพอะไรเนี่ยเขาม่รูปแบบของเขาไม่ต้ อ, องเอาขานี่มาใช่ในการแสดงเป็นเอาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรกระแสอะไรนะ บางทีก็ก็ทําอะไรเพื่อเขาเนี่ยทาอะไรเพื่อพ่อเพื่ออะไร เ, เพื่ อ, อาบางทีก็นั่งวิ่งวิ่งเดินอะไรก็ของเขาเงเรื่องดีนะเขาทำเพื่อสังคมมันแต่มันมีเนื้อห์ไงมันมีเนืยอหของเขาไงถ้าคนที่บริจาคล่ะเราบริจาค เ, เราสวดละก้อ อุทิศลิลลลนี่จะได้สร้างโรงพยาบาลจะได้อะไรแตไ่ไปใส่ในกระปุกทิ่มันมีเนียตอื่นด้วยมันจะใช้ได้ไหมผมนยังไม่รู้เลยผมนี่อึดอัดใจมากเลยอ่ะเพราะมันปนอนะปนไปปนมานี่เนนี้เขาเริ่มเริ่มเริ่มพูดล ะ, สะแสวงบุญประสงค์บาป สแสวงบุญประสงค์บาปคือต้องการบริจาคมีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าเพราะมันไม่ต้องมต้องมองเรื่องแฝงหรอกเอาที่มันชัดๆนะเอาที่เขาพูดเอาที่เขาพูดทำบุญทำบุญถ้าต่างใต้เนี่ยทำนุรีหรือนุรีทำบุญ ด, ดังดัด า, ดาทำบุญเพื่อใครอคนที่จะทบุญนี่แนหะเาจะทาบุญเพื่อถวายเจ้าที่เจ้าทางยินอะไรตัวมีอะไรไอ้คนอืน่นนี่เออแาจะทบุญอ้าฝากทบุญด้วยไอ้คนนี้ให้นี่นะเขาจะนัทบุญเพื่ออัลล์แต่ เอ้เองนีขารูนี่ขนขเขจนรรบุญให้เจ้าที่อขอทบุญด้วยเป็นไปได้ไงอะ่ะของอลัลลอเยก็มาปนเนี่ยฉะนั้นเราเอาโมาโนโบราณเที่ยวสมัยยุคตัวอย่างเพราะมันเป็นพฤติกรรมของยุคนั้นอ๋อมันต้องเป็นชิริกแบบนี้จะได้เรียกว่าชิริกแต่ไอที่แบบเราที่มีนั่นน่มันไม่มีชิริกรอกทำไมอ่ะมีมีแพร่ ม, มีแท้เลย มันต้องมันต้องในนี้แบบของโบราณหรอจะได้ถือว่าเป็นชีริกเนี่ยไม่ใช่การศักระการอิบาร์ดานี่ความดีทุกประการที่เราทํามันต้องทําเพื่อ Allah อย่างเดียวจะได้ผลละบุญและทําเพื่ออีหละ่ะทําเพื่อคนอื่นนะ่ะและมาเพื่อมนุษยนะ์น่ะสการเพื่อมนุษย์ดาวะเพื่อมนุษย์ดาวะเพื่อมนุษย์อ่านพูดอ่านเพื่อมนุษย์ ชีวิตมันกันบริจาคเพื่อมนุษย์สร้างรุงพยาบาลเพื่มนุษย์เผื่อตัวเองชิวิตอาจจะชิวิตเล็กอะก่อนที่จะดูอาย่านี้ง่ายแต่ต้องอธิบายตัวอย่างยึจะได้เห็นว่ามันเกี่ยวกับอะไรนี้จะเห็นเลยชัดเจนมูซิกียลเขาบอกว่า ที่เทให้เจวยนี่นะใ่้อัลล์นะให้ไม่ได้แล้วที่เอัลล์นี่เอาบางส่วนยุให้เจว็ตได้อัลลอ์และรห้ามไงสุรน้ำงามก่อนน่นสุัามพูดถึงเรื่องประสูตเพราะเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งบริพูคสาคัญในยุคนั้นนะเพราะตัวก่อนน่นอาหรับนี่ก็ไม่ใช่เป็นชาวกษิต ส่วนมากปศุสัตว์อาหารเขาก็ปศุสัตว์แต่ที่อื่นล่ะที่อื่นี่ไม่มีปศุสัตว์ไมีแต่เกษตรใช่ปะ่ะอา่าเดี๋ยวมีดีมีปัจจุบันนี้ล่ะมีมไหมแบบเนี้ยถ้าของอัลลอฮ์นี่ให้เจวิดได้ถ้าของเจวิดเนี่ยไปให้อัลลอฮ์เดี๋ยวนี้มีไหมล่ะในรูปแบบอเอาในรูปแบบที่มันชัด น, น, น, นะ รูปแบบที่มันชัดชัดของเสน้นไหวมุสลิมกินได้ไหมนี่นายเห็นชัดเลยของเสน้นไหวอะนะก็เรารู้กันปุยาตายายในข้อสังสอนวอย่าไปยุ่งของนี้มันมีนักวิชาการ ได้ใครไม่อยากกินเอาไว้ผมผมกินเองขนาดนั้นสิคอขนาดมั่นใจขนาดนั้นนะใครไม่กินเอาไว้ผมรผมกินเองความหมายตรงข้ามอัลลอฮ์จะมีเาบอกว่าอัลล์มีพวกมุสลิกนว่าสิ่งที่เจ้าให้เจวนีนะย่อมให้อัลลอ์นะ และสิ่งที่ให้อัลลอฮ์นี่นะไม่ให้วดได้นั่นหมายรวมว่าหมายรวมว่าอัลลอฮ์นี่ไม่มีไม่มีคสักศีดเลยหรอเจวดนี่สักศีของมันเนี่ยมากกว่าอัลลอฮ์หรืออานาจบาีความเขารุ่เนี่ยต่อเจวดนี่มันมากกว่าอัลลอฮ์เรนไงอันนี้ปัจจุบันก็ยางสิ่งที่เขาไม่ไไม่ได้เข่าใจอัลลอฮ์นี่นะ อ้าเราเรากินได้ความหมายตรงข้ามของสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามหรือที่อัลลอฮ์ตำหนิคนในในในอดีตนะมุสลิกินในอดีตว่าชนไหนเลยสิ่งที่เขาถวายให้เจริเนี่ยให้อัลลอฮ์ก็หมายถึงว่าเป็นส่วนของอัลลอฮ์นี่กินได้อันนี้อัลลอฮ์ตำหนิความหมายตรงข้ามว่ามันไม่ควรเป็นอย่างนั้นที่มันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้น ถ้าเป็นของจเจวิตเนี่ยอลัลลอฮ์จะมีส่ว น, ด ไ, วนวได้ไงอ่ะถ้ายึให้เจวิตแล้วมันี่จะมาเป็นของอัลลอฮ์ได้ไงอ่ะแล้วของที่เป็นของอลัลลอฮ์นี่จะยกส่วนให้จเจวิตได้ไงนั่นหมายรวมว่าถ้าถูกถวายให้จเจวิตแล้วเนี่ยมันไม่ควรที่จะเกี่ยวข้องกับเราเพราะอาลัลลอฮ์ตรมีว่าไม่ควรที่จะให้เกี่ยวข้องกับอลัลละฮ์ ท่านละกันซะนะข้าหนที่ว่ก่าจะกินววจะิ่าจะ่จะน่าจะกก่นาาะะ่าน่ากว่าก่ิาา่าาวน่กินน่นนววะกกินน่นน เนื้ออะไรพวกนี้นไม่กินแน่นอนแต่ถ้าเป็นกล้วยล่ะกล้วยหอมทับทิมมันพุทธฤษีนถ้าไวเสร็จแล้วกินได้ไหมเอา่ะเรามีกี่มันสับ์เรามีสีมส่มันสำปมันสับที่บานเรามไม่ได้ใช้กันนะนะคือมันสำปของพุทธนี่บ้านเราไม่ใช้กัน แม้กระทั่งแม่ชาวพุทนะนเนี่ยนะของสิ้นไหวเนี่ยเขาบอกว่ากินไม่ได้แต่ถ้าคนจีนนะ่ยนะเขาบอกว่ากินได้จีนบอกว่าเส้นแล้วกินไหวยแล้วก็กินแต่พุทธนี่ยเขาของสิ้นไหวนี่ยกินไม่ได้นี่หนังอดัมเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้มันเพราะมันมีวิจัยวิจัยเป็นวิจัยคำนวณ น, น่ะหนะ่าะ อาหารเส้นไหวที่ไม่ได้กินเนี่ยถธอไปรวบรวมทั่วประเทศนะะประเทศไทยนียไนนน่ไม่น่าจะมีคนจนไม่น่าจะมีคนจนและที่เราเห็นชัดเจนนะว่ะของเส้นไหวแบบนี้นะของที่เขาถวายไอ้ไอ้ไ อ, อ, อสารพระเจา้าสารพระพูมอะไรพวกเนี้ยคนจนในบางชุมชนนะนะที่ไม่มีกินนะนะต้องไปแอบขโมยนะเขาเรียกได้ว่าขโมย ยังก็มีเจ้าของเขาขโมยไปขโมยไปของเจ้าเขายังก็มีเจ้าของลราถูกขโมยตั้งแต่ด็กด้บันถึงปัจจุบันก็ยังขโมยอยู่นะเจ้าของไม่เคยร้องเรียนสักครั้งเอาสิไปเก็ดูสิอวันตินก็นเอ้ยน้ำน้ำแดงนี่น้ำแดง อะไรอย่เออก๋วยเออเปิ้ล้มถ้าแบบว่ารู้ๆนะเนี่ยไปดูนโอ้มีหัวหมูมีเนื้อมีแล้วถ้ามีพิธีนะพิธีทำบุญประจาปีอะไรเขาเนาะโอ้ยเต็มหมดเลยนี่เลียงนี่เวลาเขาทำพิธีเนี่ยมันมีของส่วนเลี้ยงจะทำบุญเน่ยเลี้ยงคนเนาะแล้วก็มีส่วนถวายมันมีทแตะนะ ของเขาน ะ, อะของนี่มาเลี้ยงคนทูตประทีนี่ก็ไม่น่าจะมีคนจนล้วถามว่าเขาบูชาใครบูชาอะไรอันนี้ต้องครที่บอกว่าเอามากินเป็นผลไม้ที่มะไรพวกนี้น่ยมากินนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มัน เกิดจากการห่างไกลห่างไกลจากคุตัานห่างไกลจากความห่างเป็นไปได้แม้กระทั่งมุสลิมแม้กระทั่งอุลามะอุลามะที่เรียนรูุ้ตนนะถ้าห่างไกลจากคุตัานห่างจากความใกล้จากคุตั้นนียมีสิที่จะผมเจอผูรูอัษฎาใสยชุดอัาเลยนะสคนเนี่ยโต้กันออกทีวีเลย คนนึงบอกว่าถ้ารัฐบาลออกกฎหมายที่สวนทางกับอิสลามเช่นรัฐบาลรัฐสภาบอกว่าเหล้านี่ไม่บาป ก, กินเหล้าได้ได้ผิดเราอย่าไปเชื่อฟังอย่าไปนั่นทำไมนะอันนี้โอเคใช่ไหมโอเคอุลมามะที่โตนรูออกว่าเฮ้ยยุ่งยุ่งทไมอ่ะที่ไปยขาทำไมจะไม่บอกอ่ะ อย่าเชื่อฟังยาอะไรนี่นี่เป็นคำสั่งของรัฐบาลเทียงดึกเทียงอีกว่าถ้ารัฐบาลรัฐสภาออกคาสั่งที่มันสวนทางกับอิสลามีนะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะฝ่าฝืนไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้คนฝ่าฝืนเพราะเป็นคาสั่งของรัฐบาลเราเชื่อฟังได้รัฐบาลจะรั บ, บังเานี่เพืรู้โอเคคนนุนีไม่มไม่เคยอ่านคุณอ่า น, ค, านคือศึกษาคุณ แต่ความห่างไกล้จะกุดอ่านความใกล้ชิดจากบางอาา้เขาไม่ค่ออาจจะไปพิมพ์ก็ได้เป็นไม่ได้ตัวครูที่บอกว่ากินได้เลยหนึ่งของเส้นว่านี่คือที่จริงอะนะไอ้ภาษาอะไรแบบเนี้ยมันไม่น่าพูดเลยเพราะอะไรเพราะ ถ้าเป็นพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเขาคงไม่คิดหรอกที่จะเอาของพวกนี้เนี่ยมาให้มุสลิมกินมันเคสคือนอกกรณีที่จะเกิดขึ้นแบบเนี้ยแล้วคงไม่มีมุสลิมที่จะไปแอบเอาของพวกนี้มากินนะมาซาล่านี่แบบว่ามันนานที่นานมากที่จะมีกรณีบอกเออเขามีอะไร พิธีกรรมต่างๆนี่มีพิธีกรรมมแล้วก็มีอาหารเส้นไหวโดยเฉพาะตะบนคนจีนนะ่ะนะเขาเขามีอาหารเส้นไหวโดเฉพาะทํ า, ววาทบุญถ้าคนคนพุทธเนี่ยที่ไม่ใช่คนจีนเนี่ยทําบุญทําบุญเจ้าที่เจ้าทางนี on, ่นะอาหารอาหารเลี้ยงก็คือเลี้ยงอาหารถ ว, า ย, วายก็คือเส้นวหาก็คือเส้นวหาเขาไม่เอาไปเลี้ยงแต่ถ้าคนจีนเนี่ยไม่ใช่ถ้าคนจีนเนี่ยทาบุญ เจ้าที่เจ้า ท, ทางนี่นะของเสนไหยเนี่ยก็เลี้ยงด้วยแล้วบางทีเนี่ ย, ยมุสลิมก็ไปร่วมหรือไม่ร่วมเขาเอาอาหารนี่นี่ยไปแจกเป็นอย่างมุสลิมซึ่งมันเป็คีสไม่ค่อยเกิดนานกว่าจะเกิดทีหนึง่งแล้วมุสลิมส่วนมากเนี่ยเขาตระหนักแล้วว่าไม่ไม่ไม่กินไม่เอาไม่ยุ่งดีกว่าทำไมต้องครูต้องเอามิมจะกินเนาะ ก็ไม่ใช่นะก็แปลกแปลกนะปู่ย่าตายาของเรานี่ไม่อยู่ในสังคมแบบนี้นะพี่น้อง เ, อเกิดนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเรามีความตระหนักว่ า, เ, าเรื่องจุติเรื่องชีวิตเรื่องอะไรเราไม่ทำเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นหากว่าปู่ย่าตายของเรานี่ยเขาไม่เคร่งครัดในเรื่องแบบนี้เคร่งครัดที่จะเออต้องห่างนะต้องมีรัศมห่างนะ เขาจะหาวาล้ำล้ำนิดนึ่งไปล้ำสิ้นนิดนึ่งอาจจะทาชิริกชัดๆก็ได้เอามาดูสิอรในบททีงนี้ซึ่งเป็นหลักฐานที่จะมาวิเคราะหกันว่ามันเกี่ยวกับกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันในเรื่องว่าด้วยการทาชิริกในรูปแบบใหม่รูปแบบโมเดล ซึ่งมันก็อยู่ในทำนองเดียวกับเป้าหมายของสุรนกีเรื่องประสุสัตเรื่องบริพภคเรื่องอะไรที่จะต้องให้มุสลิมมีมุมมองมีอุดมการชัดเจนแล้วให้รู้ว่าการบริโภคนี่มันก็เกี่ยวเรื่องการกินนะมันก็เกี่ยวเรื่องกกิดเกี่ยวเรื่องความเชื่ออลลฮมิชัต ا ل อาญานี้พูดถึงสิ่งที่น่าตำหนิของมุชลิกินในยุคโบราณและพวกเขาได้ให้มีย้านหนให้มีส่วนหนึ่งสำหรับอัลลอฮ์ซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้บังเกิดขึ้นอันได้แก่พืชและปะสุสัตว์อัลลอ์สร้างพืชและปะสุสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอ์สร้างขึ้นมา ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของล l l a h Allah เป็นเจ้าของแต่การที่เราจะแบ่งสัดส่วนอันนี้ของ Allah อันนี้ของโน้นเนือันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดถือว่าเป็นการเสียมรารยาทอย่างไรแรงอย่างไรแรงให้ในสิ่งที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอไปเจอตังบนต้นของใครกัไม่รู้อา้าวบางอันนี้ผมให้อันนี้ผมให้ ไ้ไม่ใช่ตังของมึงสะดีะเข้าไปในสวนชาวบ้านอ่ะะไปเด็ดผลไมห้หมออันนี้ผมให้นี่ผมแจกฟรีแจกฟรีเกี่ยวอะไรถ้าเราเชื่อถ้าเรามีความเชื่อเต็มที่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานวะาลาเป็นเจ้าของควรที่จะปรับทัศนคติของเราเนี่ยแบบนี้ว่าอะนที่ของอัลลอฮเนี่ยต้องมีอนุญาจากอัลลอ อันนี้ขเราอทไม่ททอย่าทํนี่คืออนุญาตหาลฮารอมนี่คืออนุญาตแ่ี่เราไม่อนุญาตนี่ก็แสดงว่าทาไม่ได้ส่วนหนึงในนั้นก็คือการที่เราจะถวายการที่เราจะทาบุญบว่าจะถวายจะทาบุญนี่เป็นอิบาดะบนบนบานนะจำมั้ยนะถวายกุลบาง ทั้งวันคุณบานนี่ไม่ว่าถวายละทั้งวันนี่เป็นการบูชาทาต้องทําเพื่อ Allah ต้องทําโดยอนุญาตโดยอนุมัติจาก Allah سبحانه และก็อัลลอฮ์แต่การนี้เราจะมีเราจะถือสิทธิ์ในการที่จะถวายในการที่จะแบ่งส่วนห น, นส่วนใดให้อัลลอฮ์แล้วก็ให้ผู้อื่นนั่นแหะอันนั้นสแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจละ เรื่องอะคีดอาอะคีดาก็คืออะไรอลัลลอ์ทรงมีอลัลลอ์เป็นผู้สร้างนีน่ีก็ไม่เข้าใจละอลัลลอฮ์จึงถามมุชลิกินแตก่อนนู้นน่ยยอมรับว่าอาลัลลอฮ์เป็นผู้สร้างไม่ใช่เหรอถ้ายอมรั บ, บรมาทำไมไปไอาบาดผู้อื่นสแสดงว่าตกกะกัดที่มันปกติเนี่ยเจ้าของนี่เราตู้ยุคเคยเาหมดสตางค์นี่เป็นของไอโหรนอ า, อายุวิของเขาหมด ไม่ใช่อ 5, เอาจจะหาพันบาทคงใครคงผมเอาบางเอาไปสี่พันนะเดี๋ยวพันหนึ่งประมาณนี้บางเอาไปสี่พันในพันหนึ่งอ่ะทไมนี่ผมไม 5, 000, ป็นเจ้าพันอ่ะเวลาจะให้ให้คนนี้ประมาณนี้อลัลลอฮ์สร้างแพะม า, าแพะบางส่วนนี้เทวให้อัลลอฮ์เทให้ผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นผู้สร้าง อันนี extremes, <speaking> like ้ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เขาทาดีใช่หมถวให้อัลล์จพราะเขาได้ให้มีส่วนหนึ่งสาหรับอัลล์ให้อัลล์เยอัลล์ซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้บังเกิดขึ้นที่ลเาสร้างขึ้นมาอันไม่แก่พืชและปสุสัตแสดงว่าเร่ถวายเนี่ยทั้งพื และบะสุสัตว์มันไม่ใช่สัตว์อย่างเดียวนะของถวายของสิ้นไหวอะนะมันไม่ใช่สัตว์อย่างเดียวนะมีพืช ด, ด้วยซึ่งอัลลอฮ์จำนี้ว่าเขาถือสิทธ์อะไรที่จะแบ่งส่วนน่ะนี่รู้อัลลอฮ์นี่มับางคนก็นี่ให้อัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์จำเนี่ยตรนี้แหละจำเนี่ยตรงนี้ว่าแบ่งให้ส่วนนึ่งองอัลลอฮ์แล้วก็ส่วนนึงให้ผู้อื่นอัลลอฮ์จึงบอกว่า فقالوا هذا لله بزعمه وهذا ل ش ر ك ا ن ا ن هذا هي الله. โ ه ยที่พวกเขา كلام ك ن พฤติกรรมความเื่อ و ط ه ن ا ا ه ا ن ا ن ه ا ن ا ن ه ا ن ا ن ه ا ن ا ن ه ا ا ن ه ه ا ن ا ا ن ا ن ه ه ا ن ا ن ه ا ن ا ن ه ا ن ا ن ه ا ن ا ن ه ا ن ا ن ه ا ا ه ا ا ن ه ن ه ا ن ا ن ه ا ن ا ن ه ا ن ا ه ا ا ن ن ا ن ا ه ا ا ا ا ه ا ن ตามการอ้างของพวกเขาทาําไมพระบบกบิซามีไม่ใช่เขาที่จะที่จะพิสูจน์ว่านี่เป็นของอัลลอฮ์ทำไมอ่ะเพราก็บอกว่านี่ของนี่สําหรับอัลลอฮ์และนี่วะเดลิชูรกตะไก่และนี่สําหรับบรรดาพากีของพวกเราแสดงว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วสิอัลลอฮ์จะเรียกว่าตามข้ออ้างของเขา คนตามข้ออ้างเขาดิทยอมรับวอันนี้ขอัลลอฮอันี้ของากีทยอมรับมันแสดงว่าเขามีสิทธิ์ในการที่จะแบ่ง่นี้ของอัลล์นี่อากีฉันอัลล์เว่าฮาลลายก็ดีดิลไม่ใช่บีจามีมตามข้ออ้างข้ออ้างที่ไม่มีความชอบธรรมข้ออ้างที่มีที่มีที่ไม่มีเหตุผลข้ออ้างที่ตามอําเพอใจอันนี้ของอัลล์นะแลอันนี้ของคนุน นี่นหละตัวอย่างเจอละห้0 0ันของใครครับของผมห้ 5, าพนะันไอ้หน้านี่ผมให้คุณ 4,000 แล้วให้คนลุงพันหนึ่งเธอเขาเรียบนะแสดงวก็ยอมรับไงว่าไอ้คนนี่ไม่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยแบ่งสัดส่วนนี่ตามอัธยาสายเข า, 5, 000. 4, 000. ขออาเฮ้ย 1,000 นึ่งสี่พเขาก็ไอ้ไม่ไอ้บัง 4,000 ันอัลฮัมดุลลา ีมากให้สี่บันทยอมรับกนะ็แสดงว่ายอมรับรดง่งอสี่บันเฮ้ย ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ได้เอาม่เลก็สี่บันไม่พอเ้ยทั้งหมดนี่เป็นของผมอนี้ชกฎหมายใช่ปะแต่ทนนินะ่ยไม่คัดค้านะน่ะแสดงว่ายอมรับยอมรับแล้วใช่ไหมนี่อารมณ์อะไรไม่ยอมรับฮใน้นีตวไอม่ไม่ด้ลไม่ไี บีดาม่นนี่เป็นข้ อ, อ้างทำไมอ่ะพราะข้อที่สิบ ท, ที่จะให้ผู้อื่นด้วยซึ่งเอามาไม่ยอมรับทั้งหมดเลยนี่เป็นเป็นหลักฐานชีข้ขาดความดีถ้าปนกับความชั่วโดยแยกไม่ได้นะอัลลอฮ์ไม่รับเลยตังเงื่อนไขนี้นะความดีถ้าปนกับความชั่วโดยแยกไม่ได้นะอัลลอฮ์ไม่รับ ทำละหมาดละหมาดแล้วสูบุหรีเงี้ยคือสูบุหรีละมาละหมาดอันนี้แยกเราไม่ถือว่าเออมสูบุหรี่แล้วมาละหมาดนี่ละหมาดไม่ซองละหมาดนี้ไม่เกี่ยวกับบุหรีแต่สูบุหรี่ตอนละหมาดสูบไปรูกว่าไปทราบไหมแยกไม่ได้เงี้ยไอแบบไม่ได้ ชนิก็เหมือนกันทำไมบารดถวายอะไรบางอย่างให้อัลลอฮ์บางส่วนแล้วบางส่วนเลยได้ไหมไม่ได้เอาไปหมดเลยเชคนนี้มาอาวาไปตุต ก, กีก็ไปเชื่อเพื่ออัลลอ์เชื่อเพื่ออัลลอ์และตุต ก, กี <c oughs> ไปหมดเลยเาไม่เอาเลย ทำความดีเพื่ออัลลอฮฺและอียาห์เห็นได้ไหม น, นี่รูปแบบโมเดิร์นนะเหมือนกันเลยแต่ขคง ม, มุสลิมยต้องแยก ขอบคุณกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยมันได้โดยที่ไม่ต้องมาในรูปแบบอิบา์ดในรูปแบบเจตอารม์ในรูปแบบยุความดีชีวิตของผู้ศรัทธานี่ต้องทำให้อัลลอห์คุณอินนะสัลาติวานุสุกีอูมุฮัมมัดศอนบอกประกาศสัลลาติการละมานุชันนุสุกีศาสนกิจของฉันทุกประกาศ มหายะชีวิตของฉันมามาตีการตายของฉันของใครทั้งสิ้นนะลิลลัลลาฮิรับบิลอาลามีนขอถวาย์ด้พระบุบินเจ้ารับบิลอาลามีนองพระบัวบิบันแห่งสากลลลุกอีกใหญ่มากทั้งหมดยอมรับว่าเป็นของ Allah ทั้งสิ้นนี่นีอุดมการนี่คือหลักการของ Allah ทั้งสิ้นที่ชีวิต ต่างๆเนี่ยกิจกรรมในชีวิตมันต้องฟ้องถึงอุดมการภาพกว้างนะถ้าชีวิตของเราต้องชีวิตนี้เพื่ออัลลอฮ์แสดงว่ากิจกา ร, รต่างๆเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกับหลักการของอลัลลอฮ์ไงเพราะยกให้อลัลลอฮ์แล้วเช่นเจ้านายเจ้านมืชีวิตของผมนี่ผมผมให้ทข า, าแล้วนี่เจ้านายแหวนนายก็ ผมเต็มที่เลยเขาพูดอย่างนี้ขึ้นมานพวกนี้ปรากฏว่าแอบไปช่วยเจ้านายที่เป็นคู่แข่งเจ้านายเนี่ยเจ้านายเดิมจะว่าไงไหนว่าทาวายชีวิตในฉันแล้วไหนไหนว่ายกชีวิตให้ชันแล้วไหนว่าจะเตื่อมใสกับฉันแล้วก็ไปช่วยเขาได้ไงอันนี้เขาเรียกอะไรเรียกว่าธุรยุ มเรายุบชีพลิลเลียอิร์บอัลามินแนวคิดต่างๆอุดมการต่างๆที่มันสวนทางกับอิสลามนะเราต้องเราต้องปฏิเสธแล้วก็ออกหางจากมันโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นระบบเห็นระบบของอิสลามที่อัลล์วางไว้นี่ระบบดอกเดีร้บว่าชีวิตของเรานี่ยเพื่ออัลล์ แต่เป็นไปไไหชีวิตของเราแบบพู้อืโหแต่ชีวิตทั้ชีวิตของเราเนี่ยใช้ในการจ่ายดอกเบียโอ้ทำไมไม่มาฟังตั้งซีราโฮเช็กเดวนี้ผมนี้งทำงานหนักทำไมดอกเบียเยอะทั้งบ้านทั้งรถทั้งรถแสดงว่าชีวิตเนยเคไระบบดอกเบียแล้วระบบดเบียีมันคือระบบที่สวนมากระบบของเจ้าที่องบวลิลลาฮิรบอล นี่รูปแบบใหม่ของแท่นหินที่มีเจเวิและเราเนี่ยกำลังถวายชีวิตของเราให้มันรูปแบบโมเดิแต่อนรุ๊งข้ า, าแพท็ทเชื่อใงแต่นี่เราอะไรงานการงานเงินเดือนได้มาไอแทนที่จะมีส่วนหนึ่งทำความดีทำ ไ, ไมไม่เราอยากจะ เราอยากใช้ชีวิตเหมือนเขาเราอยากจะมีบ้านใหญ่โตเหมือนเขาเราอยากจะมีไรายได้ดีเหมือนเขาอยากจะมีรถหรูหราเหมือนเขาเหมือนเขาเพราะเขานี่เป็นคนที่ส่งซีมาหนังละ ค, โครโฆษณาเนี่ยให้เราดูเราก็บริโภคใช่ไหมก็อยากจะทําเหมือนเขาไงเราก็หากู่เ ง, งินจะได้ทําธุรกิจขยายธุรกิจใหนนะงง้ใหญ่โตดอกเบี้ยทั้งนั้นนะกูเงินซื้อบ้านใหญ่โตกู้เงินซื้อรถหรูห ร, ราทั้งหมดเนี่ย จะต้องทางานแล้วก็เด็ดนุย้ยแล้วก็ใจดอกเบีย้ยใจดอกเบีย้ยใจดอกเบีย้ยชีวิตทั้งหมดเนี่ยเท่ากับถูกถวายให้ระบบดอกเบี้ยจริงม่จริงเนี่ยจริ ง, ร ง, ร ง, รงถึงขั้นในบางทีเนี่ยผมมองว่าไอารูปแบบเดมนี้ยมันก็มีนะก็คือถวายชีวิตให้ดอกเบีย้ยแล้วใช่ปะชีวิตมีอยู่กับดอกเบีย้ยะทุกอย่างนก็ต้องึถึงดอกเบีย้ยตล ก็ใช้ชีวิตเพื่อดอกเบี้ยแต่พอใจดอกเบี้ยไม่ได้แล้วอะทํายังไงก็ตายเพื่อดอกเบี้ยค่าตัวตายเออมันก็เหมือนกันเลยนะช่เหียนเพื่อดอเบี้ยก็มีคนใช้ชีวิตเพื่อ Allah แล้วก็ตายเพื่อ Allah แล้วมีคนก็ใช้ชีวิตเพื่อดอกเบี้ยแล้วก็ตายเพื่อดอกเบีย ทำไมอยู่ไม่ได้ฉันไม่อยู่ไม่ได้อายเขาดอกเบียมันเต็มไปหมดจ่ยไม่ได้ทำไม่ไงดีอ่ะตายเมื่อยมันมีอะไรลักษณะคล้ายๆกันหน่อยรูปแบบอื่นนี่เกิดขึ้ น, นแม้กระทั่งในโลกมุสลิมทวาชีวิตให้ดารา อยู่นี้ก็คือยุคก่อนนั่นนะใครชอบใครที่เป็นดาราเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าตังค์นี่ก็จะมีรูปอันนั้นโบราณมากโบราณเดี๋ยวนี้นี่แหละมือถืออ่าเดี๋ยวนี้มือถือใช่ไหมให้ระวังว่าบางคนเนี่ยเล่นเล่นลายเล่นเฟซเนีเ่ยไ ม, ม่เป็นฮ เ, เข้าไปดู ภาพนู้นภาพนี้แล้วก็กดชอบไอชอบเพ ก, กดชอบนี่มันขึ้นถามหลายหมดเลยผมมึงที่กระตกใจไปหมดเลยเนี่ยไอบังไปกดชอบอะไรก็ไม่รู้อะไรเยอะอะมันขึ้นทาอะไรไอบังเราเมันขึ้นมาหมดไงชอบแนี่ยมชอบ มันก็ขึ้นด้วยไอ้คนคนนี้เนี่ยชอบภาพอันนี้ภาพนี้คืออะไรภาพดาราอันนี้รูปแบบใหม่แต่ตงก่อนนั้นอนะต้องเปิดกระเป๋าตังค์รู้ว่าไอ้นี่มันชอบดาราคนไหนใชอ่าอันนี้ไม่ไม่ต้องเปิดกระเป๋าตังค์แล้วไปดูไทม์ไลน์นะบางทีม่หมดเฟซบุ๊กแชร์อะไรนี่รู้หมด เอานี่ใครไปสมัครงานอะไรเนี่ยขอดูเฟซหน่อยแค่ไปดูเดี๋ยวเขาแชร์อะไรเนี่ยรู้เลยว่า น, นิสัยเปนยังไงสันดานเป็นยังไงรู้เลยความชอบอย่างเงี้ยถวายหมดเลยนะบางทีคนชอบดาราชอบนักเตะบอลอย่างเงี้ยโอโ้รูปติดในห้องอยู่ในนนะหมดมีไม่ดีชอบดาราแล้วก็จนเป็นโรคจิตเลย เทรไปหาดาราอยากจะแต่งงานกับดาราเออก็มีนะอ่านิทวายชีวิตเลยอะ่ะแล้วพอพอดาราอะไรเกิดขึ้นกับดาราเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วหรือบางทีเนี่ก็ไปเสนอตัวกับดาราดาราก็ไม่สนใจนะอกหักทํายังไงก็ช้หีดเพื่อดาราเงินนี่ไงใช้ชีวิตเพื่อดาราแล้วก็ตายเพื่อดาราในรูปแบบใหม่อะนะ คือทั้งหมดนี่จะได้เห็นว่าที่อัลลอ์พูดถึงในไม่ได้พูดถึงรูปแบบชีวิตโบราณมันจะทำให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยความสบายใจว่าเราห่างไกลจากชีวิตอย่างสิ้นเชิงทั้งมัน่นีพฤติกรรมที่กำลังเกิดขึ้นกับเรานี่นะมันก็เป็นพฤติกรรมใกล้เคียงกับเรื่องชีวิตถ้ามันสุดๆนะมันอาจจะเป็นชีิตแต่ไม่ตกมุตัดต เคยมีภาพซึ่งอุลมาเขาก็วิจารกันมากนักร้องผู้หญิงอาหรับคนหนึ่งไปร้องช่วงนั้นอีบเป็นนักร้องคนอีบทาอีบทำสงครามกับอิสราเอลช่วงนั้นเส้อแล้วก็อีบขาดแคลนองอาวุธนักร้องนี่ก็บอกว่าเดอ รายได้ของคอนเสิร์ตนี่ยเขาจะยกให้ซื้ออาวุธดีไหโอ้โหโมันดูที่มากเลยที่มากดาราร้องจะได้ซื้ออุธุ่อสุกัสสุโรเท่มากเลยดาราที่ดังด้วยคอนเสิร์ต ท, ที่สปอนเซอร์ เป็นเหล้าเยาวะชนที่มาฟังคอนเสิร์ตนี่กินเหล้าตับแข็งตเต็มโรงพยาบาลไปหมดเนี่ยอีดาล่ะคนนี้แหละที่จะวิ่งสนับสนุนสร้างโรงพยาบาลผมมองก็สมควรเพราะลูกค้าโรงพยาบาลนี่ก็คือลูกค้าของท่านนี่แหละเดียวเลยสมควรต้องต้องแก้บาป นี the the ่ร้องเสร็จแล้วเนี <t iny throat> well, <fruits> ่ยเขาไปร้องไปไปประเทศหนึ่งนะพอร้องเสร็จแล้วนี่มีคนเนี่ยร้องเส้วพุ่งไปนี่ไปสุ j ูดสุ jud เลยสุ j ู d อุลามาก็ต้องมาปวดกระบาลกับพวกนี้ตกลงเป็นกาเฟ่หรือไม่เป็นกาเฟ่ทะเลากันอีกไม่จำเรื่องผมนี่คือไม่ไม่ตรงทะเะ คือคนเนี่ยเขาถวายชีวิตถึงขั้นที่จังหวะเไงคนคนนั้นน่ยเราไม่พูดภาพเขาสูดหดให้ตัวหันนะไม่มีจังหวะที่ดีที่จะให้เขาเนี่ยออกภาพสุดหยดในไมสใช่เปล่าเราแต่มันจังหวะบัดุบอันไหน ท, ที่ให้มีจังหวะเห็นเขาสูดหดให้ได้น่ะไอ้คนนี่ตัดจากบริบทความสนใจของเราเลย ไม่ต้องมาทะเลาะกันว่ากูการ์ลหรือไม่กีการ์เคิดมันน่าจะออกจากระบบความสนใจของเราเลยใช้ยาของดาราคนหนึ่งที่เยาวชนชืนช่นชอบมากที่ปรนะเทศเราเนี่ยมั่บูดะตุลจามา كوتي ب ش َ ا شون كورب سكارا معبدة عبادة معبدة الله معبود اللهني معبد لا معبد بحق إلّا الله ما يمكره إ و ن كورب س ك ا ر ة ب س ا ي ن مغجج الله م ع ب و ل معبدة ه ب ن د ر ا ي ي معبدة تدو كورب سكارا ج ك ب ش ر شون ش ي ه ه م و ه ดาราคนหนึ่งที่ยิบนี่ตายแล้วน Alert. คนที่ข่าตัวตายเนี่เพียบสาวที่ข่าตัวตายนินดาผู้ชายนะสาวที่ข้าตัวตายเนี่เพียบที่อิบนั่นหมายความว่าอัลละสุบฮานะอัลลาต้องการทบทวนต้องการให้เรานี่ทบทวนว่าชีวิตของเราที่เชื่อในพระเจ้าเหมือนมุ้ชิกีนเราก็เชื่อในพระเจ้า ชื่อว่าอ l l a h เป็นผู้สร้าเชื่อในพระเจ้าชื่อแบบไหนชื่อแบบที่ชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ถูกจูนให้พฤติกรรมต่างๆวิถีต่างๆเนี่ยมุ่งไปหา a ล l a h เนี่ยไอ้ชื่อแบบนี้ Allah ไม่เอา Allah ไม่รับต้องจูนทุกอย่างเนีต้องจูนแต่เชื่อเชื่อเพื่อใครจะกินด้วยอนุมัติจะใครจะแต่งตัวยังไง จะอะไรยังไงทั้งบนนี้ม่กรอบที่อัลลอฮฺพอพระทัยและอนุมัติจึเรียกว่าชีวิตของฉันเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺแม้กระทั่งเรื่องบาปบาปที่เราไม่ทำใช่ปะ่ะมีแสดงว่าเชื่อตามอนุลยเปอร์เซ็นลแล้วบาปที่เราทำละ่ะถ้าเรารู้ว่ามันบาปยอมรับว่ามันบาปเสียใจว่ามันบาปเนี่นะ นี่กัเป็นการถวายให้อัลลอฮฺเมือนกันคือเรารู้ว่าเรากำลังฝ่าฝืนไอแบบนี้น่ะที่อัลลอฮฺบอกว่าเออดเนี่ยตับัตตัวได้อันนี้เนี่ยจะไม่ทําให้เราเนี่ยออกจากความเป็นเบาของพระองค์ออกจากความเชื่อของของัลลอฮ์แค่เชื่อนะแต่ได้บว่ า, าทําบาปแล้วก็เชื่อไม่บาปไมบาปทําไมเรื่องอะไรจะบาป <c oughs> อันนี้ก็พอแะ้วตกแล้วหุดแล้วทาไม่ได้ هو ق و ل ها ل ل ه ب ز ع م ه م ن ี่ س م ر ح الله. ت ا م ك ا ن ق و ه م و ك ل ه م و ك ل و ل ه ه م و م و ك ل ه م و ك ل ه م ك ل ه م ك ل ه و ك ل ه ك ل ه م و ك ل ه ك ل ه م م و ك ل ه ك ل ه م و ك ل ه ك ل ه م ك ل ه م و ك و ك ل ه ه م و ه م و ل م و ك ل و ك ل ل ه ك ل ه م و ك ل ه و ل ه ل ه م ه م ل م و ك م و ل ك ل ه م ل و ك م و ل ل ه م و م ل ل ل و ل ความหมายเนี่ยอะไร บ, รบอกรเตือนที่เราได้มาจากตัวบทเนี่ยลออภิมุนลองสิเอาจากความหมายทั่วไปของคำและโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับที่มาของคําที่มาของอายะนี่แหล่งจะเวรเรื่องถวายจะเวรเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวเอาว่าคำที่เราใช้เนี่ย วาอาไรใชูรกะแล้วนี่สำหรับภาคีของเรามาดูสิในปัจจุบันนะเรื่องที่ของเรานี่กับคุณอ่านที่ผ่านไปแล้วพันหร้อปีเนี่ยเราต้องสัมผัสนะ<อ>ว่าคุณอ่านเนี่ยกำลังพูดถึงยุคปัจจุบันไหมพูดถึงไหมถ้าเรายังไม่ถึงเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจ แสดงว่าเราตรนหนักว่าคุณอ่านนี่ใช้ไหมทุกยุคทุกสมัยนะเดี๋ไม่เข้าใจนะอาย่านี่มันเกี่ยวอะไรกับปัจจุบันนะก็แสดงว่ายังไม่ถึงต้องถึงดิถ้ายังรู้สึกว่าอาย่านี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับปัจจุบันองวุณอ่านอัลลอฮฺประทานลงมาไม่เกี่ยวกับทุกยุคทุกสมัยใช่ไหมมันไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมต้องหาให้ได้อะภากีของเรานี่สําหรับภากีของเรา อาละมาดมาสัสยิดอันนี้ของอัลลอฮ์ถ้าเราไปที่อืนนะ่นน่ะไปธนาคารหรือไปศาสนสถานอื่นหรือจะไปที่อืน่นทำเพื่ออะไรเรามาที่นี่พางละมาเพื่อใครไม่ได้ยินนะไอ้หุ่นวอกข้านะอุศลียังดังเลยนะอุศลีลิลลาฮิรับบิลอาลามีวะวะกบ งุดวะลงมสลีนดังเลนะเลียนเลมาเพอัลลอฮอ่าสักพักหนึ่งออกไปเจอที่คาราเกะบังนี่ม่นี่เอันนี้เพื่อสังคมฮาดะลิลฮมีสาหรับอัลลอฮว่ฮาลิชรกามีสาหรับาวีคองเรา إنا ب ع م ما ل ا م ل كفن ي ا ت الله بوا ا ا إنما الخمر ما يزين الأنصاب والأزلام ر ز ق ي ا فاستني بو فجعلناه لله ت و ل شهدكم ش ن ي ولا ينيع اللهنا الله و ي عيني تطعمي فاستني بو ل ك لاونا كفن و ا ي พอไปเจอที่คาราโอเกะอ่ะบังดื่ เ, เลาได้อันนี้จะได้พบสังคมพบสังคมได้สังคมจะได้นี่คือพาคีของเราอ่ะมาละมานุสลิลลอฮฺ บ, บิลลาลมีฮะ وذرولما بقيا فقيروذرولما ب i a อะไรอะไรที่ส่วนเหมือนนี่ของ r นี่ทิ้งซะอย่ายุ่งกับมันอยู่สักวันหนึ่งอ่ะไปเจอ กู้ดอกเบีย้ยธนาคารเ้าบ้างทำไังไงอันนี้ภากีของเราแต่กอนนู้นนชัดชัดเหลือเกินน่ยนะเอาแพะตัวมึงถวายให้อัลลอฮ์ที่กาบะจะเว้นก็ขวัญอยู่ที่กาบะอันนี้สำหรับฮุบันสำหรับอัลลอฮ์สำหรับอัลอุซซามะนาดอัลซาลิดะอัลอุขรามันโดนชัดนหม แต่อันนี้เนี่ยความนี้มันไม่ชัดเนี่ยทาําให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่น่าจะเกี่ยวกับแต่มันคล้ายๆกันนะแน่นอนคนที่ละหมาดที่นี่แล้วก็ไปคาราโอเกะไปดื่มเหล้าแล้วรู้ว่าเหล้านี่มันฮารอมนะันอันนี้มันตกศาสนาแต่มันมีอิทธิพลอะไรมันใหญ่ตัวที่ทําให้เขาเนี่ย สามารถจูนชีวิตให้สอดคล้องกันสอดคล้องกันแต่มีบางคนนะ่ะละมาที่มีก็จริงนะไปเขาเล่าเกจิ่งไงนะกินเล่าด้วยความเชื่อว่าด้วยความเชื่อมีจริงนะเอาอามฆคนทั่วไปนี่ยด้วยความเชื่อว่าไอ้ที่ว่าเล่านี่มันบาปนะมันไม่ใช่ว่าบาปแบบแรงๆกันนะมันพอได้อนะ่ะ มันพออนุโลมได้อะถ้ามีใครมีความเชื่อแบบนั้นน่ะอันนี้ปฏิเสธละกานทําไมอ่ะฮะเลมาหัวหัวห้าริมุลขมรการห้ามสุรานี่เป็นารู่องที่เป็นสิ่งที่ต้องประจักษ์ชัดจากศาสนาอย่างชัดเจนปฏิเสธไม่ได้อย่างสิ้นเชิงได้แล้วมาสงสัยก็ไม่ได้ นอมนี่นนนนหรามชัดเจนน้มนะห้ามสาาัดเจนแต่ใครมาสงสัยคือต ร, ร้มันสาานะอาดรไงมนีหมูมันกินแบบนี่นสะอาดต่กรนั้นนะฮะมันกกดี๋ยวนี่สะอาดแล้วมดูคดูอย่างีเลีนยดีเลี้ยงดงมนุันไม่น่าไม่น่าจะห้ามสงสัยแบบนี้อันตรายนะอันตรายนะั่นเอง ซึ่งในสังคมของเราก็ประโยคนี้ชอบมากเลยนะมันมันไม่รู้ใครใครเป็นคนใครเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาแต่มันมันมันสื่อถึงอิทธิพลของหลักการศาสนาที่มีอยู่ในตัวพอเห็นคนทำอะไรแปลกแปลกันนะเช่น ล่าสุดเนี่ยงานพระราชาพิธีเนี่ยพระราชาพิธีองในหลวงราชการที่เก้าะแล้วก็ประชาชนไปเยอะใช่ไมไปไปไปถวายไอ้ดอกจันนะนะเขาก็มีคนจนคนจนนี่หากางเกงสีดำเสื้อสีดำแล้วก็ไม่มีเข็มขดัดเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่เข้า จริงไม่น่าเลยเนาะไม่น่าทำไมเข้มขันมีเขาบางเออมันก็มีคนนึงเขาไปหาว่ามีคนลูกลูกเอาเข้มขันหุ่นผอมผมนี่เขาไม่ได้หุ่นผมเป็นมุสลิมแต่ปรดีมาเป็นเพื่อนกับแฟนก็มีคนนู้นคนนึนเนาะ ยอเนี้ยประโยชนี่ผมชอบเออมีนี่อะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้ละคือมันอะไรที่มันฝังอยู่ในใจมันมันไม่น่าจะได้อ่ะมันมันนชนกันเมันลือกคือมุสลิมเขาไม่ได้ท้อนี้ขินแต่มากแฟนอนี้อะไรอ่ะ ไปอ่ะมันชนกันน่ะคือก็ยกย่องๆเอว่าเออเพลงมันไม่ทําอ้ที่มันชาบน่ยนะแต่อีมากาแฟนี่มันก็มันชเชียร์กันมันเชี่ยว่ะจะว่าก็ว่าว่าระบบการศึกษานี้สังคมของเราที่ที่สอนแล้วก็ไม่เปรียบเทียบอย่างนี้ให้คนได้รู้คือมัไม่ใช่อ่ะทําแบบนี้แล้วก็ ش ر ك ا ئ ن ا الله قال يبى، ن س ر ُ ب ت ي الله س ب ح ا ن ه و د ع ا ل َ م ي َ م ر َ ن ك ا ت ي خ و ا ه ن ي ع م ن ي ب ن ن ب ن ق ت ْ ل م ا ن د و َ ع ه م ْ م ا ل ل ه ف م ا ك ا ن ل ش ج َ ن َّ م ف ل ا ي ص ل و ا ا ا ل ل ه و م ا ك ا ن ل ل ْ ج َ و ا ك ا ل ْ ج و ك ا ن ا ل ْ و م ا ا ن เขาบอกว่าแล้วส่วนที่เป็นของบรรดาภากีแห่งพวกเขานั้นจะไม่ถึง Allah, อัลลอฮ์อนิกฏของมุชลิกีเขาตั้งไว้อะไรที่เราถาวายให้ภากีเนี่ยจเวดนะให้อัลลอไม่ได้อัลอไม่เกี่ยวว่ ا เราการันตีมาถ้าว่าสินรชุระกัมแต่ส่วนแต่แต่สินมันไม่น่าแต่ แต่สว่วนที่เป็นของอัลลอ์นั้นจะถึงบรรดาภากีของพวกเขาอะไรของอัลลอ์นี่นะ <c oughs> ให้เหวิตด้วยนะอะไรคุณเจวิตนีให้อัลลอฮ์นะทำไมละ่ะคือมันจะเป็นหัวอัลลอฮ์แต่ทำไมดีน้นนี่ในสูรสัตซุคุรุตจะม่มี وجعلوا لله ا ل ب ن ا a น سبحانه و ل ه م ه الل ل ما ่ ش ت ه و ن خ ข้อทาว่ามาเลก้าเนี่เป็นใครมาเลก้าเนี่เป็นบุตรสาวของ a ل ه a h เป็นบุตรสาวของ Allah ซึ่งเขายอนนะว่า Allah นีเป็นพระเจ้าผู้สร้าแลมากเนี่เป็นใคเป็นลูกสาวลูกสาวของ a l l แล่อที่เขาได้ลูกสาววะนะเขาอยากจะฆ่าอัลลอฮ์ก็บอกว่าที่อัลลอฮ์ะน ะ, ะให้มีสาวแต่ที่เรานะ่อยากได้ผู้ชายน่าคกานะกระบเนี่ยมเลยที่เป็นของถวายบาคีเนี่ยนะขอรลลัไม่ให้อะที่ถวายอัลล์เนะี่ยให้ ความไม่แฟความไม่มีเหตุผลในพฤติกรรมแบบเนี้มันฟ้องถึงว่าชีวิตของเขาในกติกาที่ตรงมันมีอุดมการนี่มันแน่นอนไม่มีอะไรมันตามอําเภอใจอะในปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ไหมก็มีอะไรคล้ายๆเนี่ยที่ทำทำอะไรเพื่ออโม่เนี่ยปนหมดทุกอย่างปนทำไอ้นู่นปนกับนนี้แต่ที่ทาอะไรที่มัน มันผิดชัดๆเลยนะเอายตัวอย่างยกตัวอย่างมันมีในสังคมแล้วขอขออนึกถึงตัวอย่างงานสุราห์เนี่ยทุกอย่างมีหมดเลยมีดนตรีมีหนังอินเดียมีหนังจีนมีขายบุหรี่บางทีก็มีขายกระท่อมนะเนื้ออิมาลมาเซียเนี่ยอนุมัติุกประมาณจากจากมาเซียเนี่ยซื้ อ, อกระทิงแดงซื้อยาเสน้นซื้อใบาจาก บางที่เนก็ซื้อกระถ่มเลยนะทำไมอะ่ะให้คนมาช่วยงานสู่เราปนปนหมดเลยทําพื่ออัลลอฮน่ะนะแต่คำสั่งของปากีของอะไรปนมาหมดเลยทีไปคาราโอเกะนะแล้วก็มีคนเข้าไปคาราโอเกะไปเตือนเฮ้ย hey, พวกเราัวกเราบ้างเลือกเล่าสิเฮ้ย hey, hey, hey เจะไปอะไรเนะไปนัสหทไปนู่นไปบนู่นไปสุรานู่นอันนี้ไม่เกี่ยวที่ของ na, องัลลอ์น่ะนะปนหมดเลยสิ้นส e ิบี่ได้ปนหมดเลยแต่ที่ไปเมากันน่ะนะให้มีของอัลล์ีเข้ามาไปนู่นไปไม่เกี่ยวนี่คล้ายกันเลยที่ของอัลลอฮ์นี่นะเอาหมดเลยมาใส่หมดเลยหมดเลกตุ้มเบไปหมด แต่ที่ทาอะไรที่มันบาปอะไรหมันบาปชัดๆน่นะอย่งอเาไม่เกี่ยวยามยุ่งอัลล์จงๆนะบอกว่ามายุอมายุนช่างชัวช่าแท้แทสิ่งที่พวกเขาตัดสินกันที่เขาวางกติกาก็คืออะไรของอัลลอฮ์นี่นะให้ภาคีได้อะไรของภาคีนี่อย่าอ่อมายุ่งชัวช้า กติกาที่จะให้มีอะไรใกลเคียงกับอัลล์หรือคู่เคียงกับอัลล์หรือเหนือกว่าอัลล์ี่่ว้าทั้งสิ้นนั่นหมายรวมริสเนต้องระวังในกติกาต่างๆที่จะให้หัวใจของเราเนี่ยเขวตามกติกานี้กติกาที่ให้อิ่จากอัลล์เนี่ยคู่เคียงกับอัลล์หรือเหนือกว่าอัลล์ต้องระวังมา ก, มากลในกิจกรชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรที่มันต้อง ต้องไปค้นหากันดูมันยังมีอะไรที่เราทำแล้วมันมันสื่อมันบ่งมันเสี่ยงมันใกล้กับการตั้งพารกีไหมการที่เราจะหัวใจของเราเนี่ยจะให้ความเคารพใกล้เคียงกับเราไหมหรือเหนือกว่าเราไหมหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องไปค้นหาตรวจสอบและเขีย่ยต้องเขีย่ยได้ ไยูที่เราได้มาจากอายะเหล่านี้และอายะอื่นที่พูดถึงเรื่องเรื่องต่างปากีเรื่องอะไรเนี่ยไม่ใช่มองถึงมุสลิมีในอดีตในโบราณแล้วก็นึกมโนอุลุิดุิดุิดแต่ปัจจุบันของแบบนี้ไม่มีแร้วไม่มีใครจะเอาแพะไปแต่ตอนนั้นน่ะเขาไปถวายจชเวิตอันนี้ก็ถวายตุ๊กวาลีเขานี ถวายตัววอลีขอดูอาจักดัววลีก็มีถวยถายตะกอนน้องถวายเจวิตเดีนยวนี้ถวายหมอดูหมอดูสั่งเคยเราน้องฟังให้หมอดูทำของหมอดูก็บอกว่าต้มไข่รูปนึงอันนี้คนที่ไปหาหมอดูเนี่ย โทรมาผมนี่ถามผมเองอนะไม่ไม่ไม่ชีเรื่องเล่านะไม่ชีเรื่องไปอา่านนะี่เลยนะมัดคนที่คนนี่หมอเขสั่งให้เขาําเนี่ยโทรมาถามผมเองมามาไล่ผมเองต้มไข่ลูกหนึ่งแล้วก็รอให้เห็นหมาดําสุนัขดําสักตัวหนึ่งแล้วก็ไปวางไข่หน้ามาดำคือเขาบอกว่าเขาก็าไปหาหมอดูคนนี้ให้ทำเสน่ลูกเขาเนี่ยไปชอบ คนอื่นเขาก็อยากจะให้เลือกกับคนอื่นก็ก็ให้หมอดูเนี่ยเขาบอกว่าเอาเสื้อเขาหนึ่งมาตัวแล้วเขาจะเขียนจะเสกให้อแต่ต้องต้องทําบุญนะทําบุญอะไรก็บอกว่าต้มไข่ตัตวหนึง่งแล้วก็หาหมาหมาหมาดําตัวหนึง่งพอมาแล้วนี่ยก็ไปวางไข่เท้าหน้ามันนี่อะไรอย่างชกคนนี้รนชริกกะกะริกข้างีนอ่ะก็หมอดำที่นบะีบอกว่าชัยตอน แล้วเอาไข่ไข่ลูกเดียวเนะี่ยฟองเนี่เนี่ยต้มแล้วก็กคือถวายถวายไข่ให้เชยตอนไอ้นี่ไอ้ของเนี่ยมันจะได้ผลเชตตอนเนจะได้ยอมช่วยจัดการชีรีกรูปแบบนี้คนละคนไม่รู้ไงมคนนึกนึกไม่ออกไงไข่เล่นเกมบ้านคุณนึกไม่ออกนอะไรเลืเอเถอเออคุณทำบุญนะ ได้ได้ทำบุญหนูฉัชอบทาบุญอยู่แล้วเออไปเชื้อแพร่ตัวหนึ่งแล้วก็ไปก็ไปทิ้งกองขยะนู่นเนะแอบซ่อนหรือเปล่าหลบซ่อนหรือเปล่าเล่ออะไรกันเนี่ยบางคนก็นไม่ไม่คิดเนี่ยคิดจะไปทบุญเก็เอาเอาแพร่ไปไปเนี้ยไปเ ก, กัำพ้านี่ทำบุญเอาแพร่แล้วก็ไปทิ้งกองขยะนี่อะไรถืวา ย, ยินเนี่ยมึงไม่ออกแต่ทาไปแล้ว ชิลิคแบบนี้บ้านเรานี่ยเยอะแยะนะไอ้ที่เอาของกินเอาอะไรนี่แล้วก็ไปวางตรงนะั้นวางริมถ น, นนนะ่ะวางหลังบ้านนะ่ะหลังบ้านอ่าแล้วก็ค้างบ้านก็มีบ้านบ้านล้างก็เอาไปไปวางตรงนะั้นเยอมากเลยนะสังคมมุสลิมของเราซีนนะ ล่าสุดนี่อันนี้เม่รู้ไม่รู้เคยเห็นมากโพสใหญ่เลยสารพระภูมิที่เป็นรูปสุราว์สารพระภูมิทำเป็นเป็นสถาปัตสุราวทรงสุราวนะเลยไอที่ยอดกรุนสารพระภูมิแล้วก็ห้าม เขียนว่าห้ามถวายหัวหมูทําไมเจ้าเจ้าที่เนี่ยเป็นอิสลามน่ะนะอันะไรก็เคยเห็นภาพแล้วจะมานะแต่นี่มาเป็นทรงสุราเลยอเห็นได้ว่านี้แขกนะไม่รู้มุสลิมทําหรือไม่มีมุสลิมมานะแต่วมันของเขามีสารพระภูมิของเขามีสารพระภูมิข อ, ข, มรรม <c oughs> ของเรานี่ยม่ต้องมีสารพระภูมิ ขงรมงว่าในสังคมมุสลิมมันก็มีขอเขา้าขขมาทาบุญขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทาง่นั่นก็คือยินโต๊กีอะไรกันโตก๊กีนะายินเก่าแก่ที่อยู่นั้นต้องขอเข้ามาโต๊กีต้องขอข ต, ต้องทบุญให้โตกีไอเราโต๊กีหมายถึงว่าปุยะตายาย่ยาจะทบุญแลอุทิศให้ให้ปุยะตาที่ไม่ใช่โต๊กีนู่นโตกียิน สังคมมีเยอะแล้วบางทีเนี่ยคนที exclude, ่ให้ข้อแนะนํานยกับผู้รู้ที่ทีที่สังคมมองว่าเขาเป็นผู้รู้ก็ที่แปลกนะว่าไอของแบบนี้นี่ที่มันแพร่ในสังคมในหลายรูปแบบ สถาบันการศึกษาสถาบันดาวะสถาบันเผยแพร่ อ, อิสลามไม่มีแผนต่อต้านหรือแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมปัญหานี้แบบเนี้ยไ อ, อย้เงื่งชีวิตดีกว่ า, าจะเว้หรวอไม่มีใช่ไหมไอ้จะจะชีริกแบบเนี้ยไปหาหมอไปทำของทำรูปทำทำบนไหในสังคมเรานี่มีเยอะไหมเยอะ ไปหาได้เลยเนี่ยทุกเคสทุกกรณีที่มีผีเข้าที่มีหีนเข้านี่นะเก้าสิบกว่าเปอร์เซนตต้องไปหาหมอดูมาแล้วต้องไปทําอะไรมาสักอย่างข่าวมาโรยเอาผิกมาโรย อ, อะไรตัวไม่อะไรแล้วไม่รู้ไอ้ข้าวนี่โรยนีนอะไรก็ถวายเหมือนกันกันนไม่รู้เยอะไม่ในสังคมไหมเยอะบรรดาตูค้ครูบรรดาโรงเรียน สาสนาปอน้อทั้งหลายเนี่ยเขามีแผนอะไรไม่จะได้ขจับเรื่องนี้ <c oughs> ปอน้าบางที่เนี่ยเป็นแหลงเลยตัวครูบางคนเนี่ยเป็นเจ้ามือเลยเป็นเจ้าพ่อเลยบาบ า, บาบางคนอิหมัาไม่ใช่บางคนเนี่ยเป็นเจ้าตัวอะไรเป็นตัวบงเลยเราจะไม่เสียงเหรอคือจะไม่ต้องแตกใจสิครับว่าเออทำไมชาวบ้านห ล, หลงหลงไหลตามนี้แนะ้ก็ก็คือ เจ้าของศาสนานะ่ยที่ถูมกมองเจ้าของศาสนาเนี่พิเกี่ยวข้อ ง, องมันไม่ได้ผลปลระโยชน์ก็ไม่แล้วมันก็นย้อนไปถึงอดีตเมต่ก่อนนะั้นทำไมชาวมัคะคะคนดั่งเดิมของศาสนาท่านมนูฮัมบรอยิมที่อัลลอฮ์เรียกเนี่ยศาสนาของนูฮัมบรายิมอลัลฮานฟิยะศาสนาที่ตรงที่ทางไห้อย่างชิลิกเนเะจ้าของศาสนาดั้งเดิมมันนะกลายเป็นคนที่อุปการะชิลิกทาไมอ่ะผลประโยชน์ ทุกอย่างเลยนะทำไมมักกะนี่นะมีสถาบันกู้แบบีหญใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอาหรับสมัยมัฟีนะสมัยมนัฟฟี่ทำไมมักกะเนี่ยมีโสเภณีมากที่สในคาบสมุทรอาหรับทำไมที่ที่มักกะเนี่ยนะเล่ามากที่สุดทำไมอะ่ะเพราะคนที่มาบูชาคนที่มาฮัทท่กาบ้าเนี่ยจะเวี่ย0สามร้อยกว่าตัวนะฮะ อยากจะถวายไม่มีตังกู้มีให้กู้พอทำบุญเสร็จแล้วตะวับอะไรเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะเที่ยวมีเที่ยวมีเหล้ามียังไงอาบันยมกเตมันเลยมันก็เลยจะกองชริกเนี่ยมันก็ไม่กว่าอทอัลลุบฮบอกว่าอินนัมรล้ลมซิรการันนซบลอลาม ชิเรื่องชีวิตเนี่ย r e l i g i o สิ่งโสโคกที่มาจากจตนมันมาด้วยกันเหล่าการพันันอมุทั้งนั้นน่ยและชีวิตเจวตเนี่ยมาด้วยกันดูกลงคืนเที่ยวอีกวันหนึ่งตอนเช้าทำบุญกลางคืนเที่ยวอีกเช้าเช้ารุ่ทำบุญ เร่ปกติบาวานมีเมาเละเลนะชาทำบุญจบแต่ใครที่ทำบุญนนะ่ะคือคนที่อยู่ในระบบอ่ะคนที่อยู่ในระบบเอาตัางค์มาถวายทาาายนะั้งอะไรเนี่ยกินแบ่งก็หมายถึงว่าไม่สินะ้นกนะัรพนัน การนั้นล้มาถวายมาศิรินี่คือระบบนี่คือกติกามุสลิมบู้สตานีขอปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เราต้องเราต้องชัดเจนหนึ่งเนี่ยขอปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ศีลธรรมเนี่ยมันมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ศีลนะะมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้แกใช้สมองใช้ตรกะนิดหนึ่งนะเราจะเห็นว่า คนที่อยากจะมีศีลธรรมเนี่ยจะต้องมีเหตุมีผลทุกศาสนาในอ้างจช่ไต้องมีเหตุ ม, มีมีเหตุมีผลเป็นเหตุเป็นผลได้ไงอิหม่า ม, มสิด ท, ทำของพระบุเรสิอิหม่า ม, มสิดหรือไอพวกไอหมอดูที่เป็นที่เป็นบอร์อรที่เป็นโตคูนี่นะขายน้ำดุอา อแล้วก ja? al ็พระนี่ก็จะตุคามรามเทพปุกศีลหากิีนกสศาสนาทั้งนั้นเลยผมยกตัวอย่างทั้งสองศาษนานะคือเวลาเวลามันเลกเนี่ยเวลาเจ้าของศาสนาเนี่ยมันก็เละหมดเลยนี่เหตุมีผลไหมไม่มีแล้วบอกว่ากติกาแบบนี้เนี่ยแสอมริามุ่งมู่นชั่วช้าแท้แท้สิ่งที่พวกเขาตัดสินกันที่เขาตั้งกติกากัน กตกาต้องมาจากไหนะนี่แหละครับผู้ศึกาก็ต้องกลับมาศึกษาคุอ่านและสังสอของพระเจ้านะครับอลกลฮเัสับฟรลลอฮลมลีวะลกุมลลัลลอฮมุฮัมมัดะอลอลลมสลามะ